ต่าอ่าตางที่าทางบ้านตางข้อางอำเิดตางตำบลตามจังหวัดมารวมกันเข้ามานี่คุณไรส์ของจกเราทุกคนท่านากันจักนี่เรามานี่ยตางความ ทุกต่างการความเจริญนะต่างการความปนทุกต้องการความสุขความสบายและในต่างการความทุกข์ความยากความลําบากลาําพานไม่ใช่ละพิจารณาฤทธิ์อันนี้เราต้องให้รู้ว่าสิ้นทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่สถานใดให้รู้จัก ทุกอยู่สถานนั้นอยู่สถานนี้เราก็จะเข้าไปหาทุกอยู่สถานนั้นอยู่สถานนี้เราก็จะลบลีกหนีพอเราไม่ต้องการนี่ละ่ะาก ม, มันเลยจับเน <Yeah. S 1> ี่ยถาแล้วมัเลยจับที่อยู่แล้วเราก็ไปไมีถูกนี่ในประเทศเราบ้านเมืองของเรา ที่คุ้มของเราทากันนับเผือคุณพระพุทธเจ้าคุณประธรรมคุณภูษงเป็นศาสนาที่ขึ้นเพื่อรึเป็นที่กราบที่ไหวและเป็นที่จักราบูชาเป็นที่ครบหนบทนอมนะทากันลึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่สถานใดประธรรมอยู่สานใดพระอริยสงสาวกอยู่สถานใด หาดูจักสถานที่อยู่และดูจักสฐานที่ตั้แเราก็จะปฏิบัตคิครูได้เข้าไปหาครูเดี๋ยวนี้ว่าเราถือพุทธธรรมเราสองเจก้กปพุตธิธรรมอยู่ที่ไหนสมงอยู่ที่ไหนล่ะนี่เราก็เสบนอนวังนังแ น, น่ในศัพจดีขาถาบอกว่านักทีเมสรางงังันยำเนี่ย แลใจความมากที่พึ่งของข้าไปเจ้าอื่นไม่มีนัตทิเน ไ, ไม่มีอะไรไปที่พึงได้มากในสามโลกนี้น เ, นเนี่ยนัตติเมสระนังวะรัมที่พึ่งของข้าไปเจ้าอื่นในนี้จะพึ่งนั่นพึ่งนี้ไม่มีเนี่ยท่ากันรู้จักเจคัมพิโสตแล้วอะอะไรไปที่พึ่งเราเล่าพุตโธเมสระนังวะรัม มีตาพระพุทธเจ้านี่เป็นที่พึ่งประเสริฐเท่านี้รู้ใช่อันนี้พระพิสิสองพุทธนัตถีเมสรนานังยันยมที่พึ่งของข้าไปเจ้าอื่นไม่มีจับจุนนั่นจนนี่ไม่มีนัตถิแผลไม่มีหมด อ, อ, อะไรที่พึ่งเราเล่าธรรโมเมสราังวาลัง มีแต่พระธรรมท่านี้เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าประเสริฐอากันสดอย่างนี้ไม่ใช่ล้นับที่เมสราังอัญยมที่พึ่งของข้าพเจ้าอื่นไม่มีจะพึ่งนั้นพึ่งนี้พึ่งไม่ได้ <c oughs> อะไรที่เพึ่งเราเล่าสังโฆเมสราังวะลังเนี่ยมีแต่พระอริยสงฆ์ท่านี้เป็นที่พึ่งประเสริฐเนี่นรรนยนี้รายพากันให้รู้จัก นอกจากสามนี่แล้วพึ่งอะไรไม่ได้เราอยากได้ก็ไม่ได้เราอยากดีก็ไม่ดีเพราะเราม่จักที่พึ่งของเราไขเปลิดมาในโลกนี้ไขอยากทุกอยากจนจะกค่อนไขอยากคีลวายคีเละจะคอนอ่าคิดโดดเท่ไขแตจะมีอยากถามันดาสักอยากลำ่ำอยากัวยอยากสวยอยากงามมีสรลา ไปเจรนาโดูที่ทาไม่ได้สงความอุมารถนาของพวกเราทุกคนละอ่ามันขาดตกบกพร่องนี้เองอืมนี่เราเมื่อจักที่ตึงเราอืมเพราฉะนั้นเราต้องก่อหาว่าพุทโธมีสันนัลลัมพุทธคือสัมลูกเมื่อเราไม่รู้แล้วเราทําอะไรเป็นละเมื่อเราทําไม่เป็นเราพึ่งไะไรได้อ่าโดยจากแบบนี้เพื่อ อ น, นี้เมื่อเราเมื่อปฏบติเราไม่รู้แล้วก็ปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่เป็นเมื่อปฏิบัติไม่ถูกไม่เป็นแล้วเนะี่ยเราก็พึ่งหลไรมไม่ได้เราพึ่งได้เดียวนี้อาการเราปฏิกิบต์ไปแล้วนะเราได้ทําไปแล้วเรารู้แล้วเนี่ยนี่แหละหาไม่รู้แล้วไปก็ไม่ถูกทำก็ไม่ถูกปฏิบัติก็ไม่ถูกไม่รู้ สายความรู้อันนี้เราได้ยินได้ฟังนี่แล้วโอปันนิยตธรรมในธรรมคุณต้องเอหสิโกโอปันนิโกเอหิสิโกจงล่องเลขสักทั้งหลายมาดูธรรมทันไม่ไปดูธรรมทันมาดูธรรมธรรมที่ไหนให้มาดูมาดูลูกประธรรมนามธรรมนี่แหละถือลูกประธรรมคือตัาพลาร่างกายเรานั่งอยู่นี่แหละ ขาสองแขนสองศีรษะอนงอันนี้ลูประธรรมนั่งนี่พลกรอยู่เดียเ๋ยวนี้มาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายสมมติกันว่าแพ้ที่ลูกประธรรมนา ม, มาทำรรภาพทั้งสี่นันห้าอายตนะทันหก่านวางเมีเนี่ยอยื่นเป็นเนี่ยน้องก็มาดูลูกประธรรมดูแพรใด เราอยา่าเราอาศัยนี้เรา่เป็นคนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายว่าเป็นคนเรามาดูก็แล้วเป็นคนตรงไหนปิจารณาเราพึ่งพผ่าศัยนี้ความทุกข์ความยากความลําบากจะไม่มีอื่นทุกข์ยากลําบากทุกประลูปธรรมนี้ทุกประนามธรรมานี้ไม่ทุกข์มันมันเอิน เนอทุกน้ำเขา้าน้ำคลองน้ำเงินน้ำทองอะไรอ่ยทุกนามานี้เงินเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาค้องเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรขาก็ไม่ได้บอกกันเราไปหาเขาก็ไม่ไบอกกันเราไปเอาใคขยอยากอ่าเื่อนำมาทําำผู้อยากนามันเป็นตึชื่อความอยากเกิดจากไหนเราเนี่ยดูจุดฟ้าอากาศเขาก็ไม่ได้อยากอะไร หินน้ำลมไปเขาตะญยากลายนอกก็บไก่ของเราผู้อยากนี่ทําไม่ยากแล้วเราจะไม่ได้ตามความมุ่งหมั่ปรัถนาอยากไว้เงินมากๆแต่ทำไม่ได้อยากได้ลูกสวยๆแต่ทําไม่ได้ตามความปรัชนาอยากโยธาบรรดาศักดิ์ใหญ่ๆโตๆแตทําไม่ได้แล้วบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ ล่ำรวยบางคนก็รวยบางคนก็ไม่รวยบางคนกตสวยแตงามบางคนขี้ลายขี้เลียสียละหรือว่าไงอก็ดูที่พวกเราทําไมยังเป็นอย่างงั้นคือเสมอกันวันนี้ผู้สูงก็มีเหรอผู้ตก็มีเหรอผู้ดําก็มีผู้ขาวก็มีเหรอหรือว่าไงคือถ่ายไม่ได้ผาดังซี ขนะันทังห้ายัตนะขันหกคือกันนั้นต่างด้วยคุณธรรมคุณสมบัติคือคุณงามความดีและสิ่งจะไม่ดีเนี่ยธาตุทั้งสี่นใดคือกันนั้นนะ่ะคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประสมกันเข้าเป็นตัวเป็นตอนนี่คือกันขันทังห้าคือกันคือรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณคือกันอายตนาะทั้งหอกคือกันตาหูจมูกเลี้ยนกายใจคือกันอทําไมคือกันแต่ไม่คือบางคนตาไม่ดีคุณก็หูบางคนกหูไม่ดีมัน เ, เป็นทําไมรับเป็นอย่างเนี้บางคนหูดีตาดีจมูกดีลี้นดีกายดีใจดี บางคนจะตามไม่ดีหูไม่ดีลิ้นไม่ดีกายไม่ดีใจไม่ดีอ่ันนี้ข้อเท็ใด <c oughs> นี่แหละการพฤติการจะทาของเรา เ, เราไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้ เ, เริ่มเป็นเมื่อเหอุฉะนั้นเราเกิดในโลกนี้คนเราในทุกวันนี้มีความมุม า, ปาดปราถนาอยู่สามใน ทำไ ม, ไม่ได้ความสมบูรณ์มากศานะสามในคืออะไรเล่าในหนึ่งตับวัตถุเขาของเงินทองมากๆนี่ในในสองต่างการลูกสวยสวยงามนานอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยนี่ไม่ใช่ละความราสตรนาของเราในสามละต่างการมีสติปัญญาเสลียราบ มีลูกมาแล้วก็ส่งไปเล่าไปเรียนทั้งนอกท้างในไม่ใช่แล้วเพื่อให้มีสติปัญญาทํา ไ, ไม่ได้สมความมาานะุ่งมั่นกาศึกษาของตัวเราบางคนอ่ามันขาดการเราสองข้ะขาดการกระทําและขาดการปฏิบัติและขาดการอศึกษาให้ลูกเรื่องแบนี้ที น, นี้เราจะมาฟังให้รู้ว่ามันขาดตรงไหน ให้รู้จั ก, จกวงถัดตรงนอนตรงนี้แล้วก็จะได้แก่ไขจะได้เพิ่มเติมเพิ่ม น, นั่นนะคือตอ้องการวัดถูกขาหลวงเงินตรงเงินทองมากๆเนี่ยอานิสงของเราโดยบริจาคแเ้าจะทำเราจะปฏิบัติไรนี่เราปฏิบัติไว้มากขอนอานิสงก็ได้ล่ะไปในพกใดขาดใดติดตาม น, นําตัวเรไปไม่ปัจจุบันรเราเบิ่งหน้า ที่เรามาแล้วแต่ก่อนก็อาศัยบุญกุศลเนี่ยดฉะนั้นเราได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแ้วบุญกุศลของเรานํามาพันยำบาวารในมงคล ล, ะกะลักษณะปฏิรูประเทสวาโสจักบุกเตตะคุณตาตาสมาปณีทิจะเอตมังขลมุตตะมังอ่าจะได้เป็นมงคลอุดมนี่เราได้เกิดเป็นประเทศอ น, นี่ เล็กประเทศทสมควรลูกอปนอุดมเราได้เป็นมนุษย์นี่เลี้ยลูกอุดมในประเทศทสมควรเป็นมัตสึมาประเทศตป็นประเทศทต่างๆ่างมนุษย์นี่สูงนะเขาเมนี้ยแต่มนุษย์สูงสูงบนเขาใม่เหมือนซัดอื่นเอาความรู้ขึ้นไว้สูงมนุษย์เออความรู้ขึ้นไปสูงสัดอืน่นเอาความรู้มาไวตา้ต่ำ สีซากก็ลงไปต่ำมนุษย์เคลื่อนกับพุ้น ค, ความรู้นั่นเออตาไปบนหูก็อยู่บ น, กกบนตมูกก็อยู่บนแหนมันสูงเด้วยมนุษย์โฉมสูงอย่างเนี้ยซัำมันสีซ้ำมต่ำมันแนนั้นความรู้อยู่ต่ำนี่เราจะเป็นมนุษย์นี่ก็เพอใดเพื่อประเทศตงสมควรจเป็นมาซิมาประเทศประเทศทำการการสันใด้แล้ว เรายะได้ประเทศนั้งทำตัางสมควรเนี่ยเราก็อาศัยบุพเพกตะปุญญาตาบุพเพตะมะกราปุญญาตาสมบูรณ์กุศลตั้งแล้วก็ะทำไปแล้วเนี่ยแล้วก็ทก ะ, ะ, ท, ก ะ, ะ ท, กทำไปแล้วปณีที่จะเราได้ตั้งตอนมาที่ชอบประกอบทิพย์ในที่ดีเอตมังประมุตตมังนี่จะได้เป็นมงคลอุดมนี่เจ้ามัติมาประเทศหมุนไปทางไหนก็ได้หมด เหมือ น, นลบยตหรือเนี่ยถอยหน้าถอยหลังก็ได้อลองทงังต่ำไปทัทงสูงก็ได้มนุษย์เราไปทาง้งซ้ายทางขวาทางบนทางล่างได้ขนา้นีเน่เราทำกลางเราเฟื้งักไปได้มนุษย์คนเดียวล่ะมนนู้นหลายชื่อเนี่ยหลายชื่อเป็นได้มาม เป็นในร้อยในพันในคนจอมคนก็ได้เป็นตำรวจทานก็ได้เดี๋ยลูกเป็นพ่อข้าแม่ข้าก็ได้เดี๋ยวลูกเป็นขโมยขวยจวนก็ได้เป็นนรกก็ได้เป็นเปรก็ได้เป็นเสดรสารก็ได้เป็นคนทำชาเรียวชามก็ได้มนุษย์นี่เป็นผู้มังมีศีรษะก็ได้เป็นท้าพยามหากระสัดก็ได้เป็นเศรษฐีขบดีก็ได้ เป็นคนสวยคนงามมั่งมีสีสุขราอด้นีเ่เป็นคนในวอดไม่ยากก็ได้เป็นในร้อยในพันในพลตรามคนกไน็ได้นีไ่ไม่ผิดแน่เผดดายแล่วหนึ่งเป็นในนี้เผดดนั้นพระพุทธเจ้าจะได้เกิดมากว้างศาสนาไว้คือมีทานมีศีลมีภาวนาอนี่เรา บ, บำรุงเรา คือให้ทานกับแปรธนุบำรุงเราคือให้ทำคุณงามความดีเป็นผู้ศระและเป็นผู้ดุทธรรมไว้ได้ซะกตอมใบได้ทำไวนี่บุญอันนี้ละเด็กตอนนาตัวไปทุกทกทุกชาตั น, นําธนุบำลุงไปเ้วทำไปแล้วเหมือนกระละพระพุทธเจ้าเอาเป็นตุยามคือท่านให้ทานไว้ได้พวกได้ชาติมาได้ชาดไหนก็ตาม ท่านเป็นคนมีอดในยากเป็นคนไม่ทุกข์ในยากแล้ด้บุญกุศลของท่านไในสร้างไว้อีกอย่าง น, น, น, นี้เราไม่ได้สร้างว่าเราจะได้นบับจนมึงงอมันก็ไม่ได้ที่เราไม่ทำไวอหายไม่ยได้จกคนทำให้ไม่ได้ละ่ะมีลาภในสงในทานผลอันนี้นําให้เราเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนเอดเรามีาาลา้ไม่จากไป อานิยอานิสองการเกิดมาลูกสวยลูงามนี่เราก็อยากได้ทุกคนลูกสวยสวยงามงามอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยนี่อยากได้อย่างนี้ไม่สลาดือว่าง่ายอการนี้สองรักษาศีลรักษาศีลรักษาหลายเรารักษากายรักษาวาจารักษาใจของเรา ให้เรียบร้อยนาไม่ทําโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจแล้ว เ, เกิดมาคนนั้นก็เป็นกายปกติวาจาปกติใจปกติความปกตินี้แหละไม่มีที่ก้นไม่ที่กากก็เป็นคนเรียบร้อยเกิดมาวาจาเรียบร้อยตายเรียบร้อยอมันก็สวยก็ามแล้วงามตรงนี้ให้พาดันพิจารณารักษาศีลไม่รักษาอื่น รักษากา ย, ยาเรารักษาว า, าจาใจขอยงเราคนนี้อให้รักตนกับรักษาที่อวก า, ายขอยงเราวาจ า, างเราใจขอยงเรานี่เป็นรักษาศีลมีรักษาอื่นนีละอานิสงส์นี่ละสถิตตนนําตัวไปทุกกบทุกชาติในปัจจุบันในรูเปเนน้าเราเดินนี้กับคนตายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยอยากได้มันไม่เสียนี่ ทำไมล่าไม่ได้สงความมุงมาตรนะเพราะอา น, นิสง์เราไม่ได้ทําไว้เราไม่ได้สร้างไว้เราไม่รักษาสินมานีมาชาตินี้ยิ่งอ้างเหือนนอ่เราไม่ได้จับมาศีลไปขูกับพระเรื่อยไปเด้คนจังวัดนี่ศิลปะลูกคำไปขอสินกับพระพระเจะอะไรไหมเออไปผมมายังพันเตทิสะระเนรสา ปัญจสีลานิยาจามะตัวอู้ท่านเจ้าก้อนหินที่ไหนไปให้อ่ะตะโกโพระเลื่อยไปนี่เป็นอยังไงเนอะน่นะโดขอจะนําพระขอแล้วตะโกะพระแหละไม่รักษาอ่ะต่อใจว่าว่ารับนําพระแล้วพระท่านให้ศิลเป็นศิลป์พระต่อไปรู้จักศิลปห้าจะขอเก้าไขาและตัวศิลปห้าเป็นยังไงโตศิลป์ห้า มีขาสองนี่มือสองเ ป, อเป็นสไลเป็น4ีสีษะอันหนึ่งห้านตัวสินห้าะกันจำไว้ไปขอก็ใครละอันนี้ไล้มาคว้าไม่ฉละดตั้งแต่เราเกิดมานี่ยเลยจักตัวสินมันเป็นตัวในตัวสินคือนี้ละตัวสินนั่งอยู่นี่ละขาสองแขนสองสีษะอนหนึ่งในตัวสินยาวห้านี่วมาทำทวีห้า ไม่ส <necessary. S 2> so uh, ั้นแค่สั้นเอาสินให้คนห้าใดตานาทินากาเมมุสาสุลานี่เป็นโทษห้าอย่างนี้ให้ละเวทตานาติปาตาเวลามณีให้ละเวทเพราะไม่เอาสินห้าแต่ว่าตามภาษาของเรานะนั้นคืนว่าตามบาลีวานาติปาตาเวลามณีนี่ว่าตามของเราเอออย่าพากันขาสัตว์นะ ทีมีชีวิตมีหมดดาหมดแดงเหล่า น, นี้จะไปฆ่าคู่ฆ่าคนยังไงเราแน่คนนี้ฆ่าทัพย์ตัดชีวิตเนี่ยอันนี้เนี่ยวางตามภาษาของเราอันนี้อธินาทำไมขโมยเขาขโมยเล็กขโมยน้อยขโมยเขาขโมยขวางอน่ยท่านบอกคนนี้เอี่ยไม่เรียกว่าเอาศีลให้หาเราเราเว้นีน้เราก็เป็นศีล เห็นท้าเราไม่เราเว้นนี่ว่าจนปากเปรตมันก็นไม่เป็นศีนลละนะไปพวกลพพระเลื่อยไปนะให้รู้จักศีลนะที่สิทธิพัทธ์นี่กรมแม้ให้เราเว้นปรพฤติจิกรกมพฤติยังไงจัจรการมนะเรามีภรรยาสามีแล้วผู้หญิงก็มีนอกจับใสใ จ, ใจใสามีภะรยาผู้ชายไม่นอกใจภรรยาก็ทอบผู้หญิงคนอื่นก็ชายคนอื่นเลย เที่ยวเลน่นนั้นใช่ไม่ได้นีเป็นโทษทำให้ลาเวนนะครับนึกจากนี่นีให้ลาเวนเป็นโทษ ม, มูสาวทานในให้เราเวนการมูสาว่าพ่อโค้งหลอกลวงกันนี่เป็นให้เราเวนอันนี้เรื่มันเป็นนี้สุราเป็นสัพมาติฐานนาเวแล้วมันให้เราเวานการเดิมสุราส า, สาโทกัญชาเยพิน แน่แพ้เราเวทนี่ถ้าเราเรเวทนี่แล้ว อ, อยู่ไหนก็เป็นศีลอยู่บ้านก็เป็นศีลอยู่ไร่อยู่นาอยู่ป่าอยู่ดองอยู่ถนมนมลทามยีรถยนต์ก็เป็นรถไกก็เป็นศีลอยู่เลืบินก็เป็นศีลเอถ้าเราเวทนี่แล้วถ้ า, าไม่เราเวทนี่แล้วจะมาอยู่ในวัดนี่ก็ไม่เป็นไม่ได้ศีลบางคนป่านาที่ป่าตาเวทอยู่มากัดตปัก ว่าวันนั้นทําำไมเป็นศินแบบนี้นาอาที่หน้าเนี่ยของมวยปันกนี่ทไมเป็นศินหลัแบบนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นรอกเออมันเป็นศินอยู่นะ่ะ เ, เป็นนี้หรอกถ้าเราละเว้นเนี่ยดูไหนก็เป็นนั่งก็เป็นสินนอนก็เป็นสินเดินก็เป็นศิน เ, น เ, นนเออเราละ เ, เว้นโทษท่าอย่างนี้เ น, นี่ยน้กจากสุรามิษประมาทหารเอก รเห็นขวเหล้าเอาพร้อมมันก็มีเป็นและสินเงนินนะไม่น่าใช่ฮะรู้จักเดี๋ยวนี้บา้านเมืองเรายุ่งยา ก, กเฉพาะเรามีศินนี่เด้ร่วมวายกันหรือว่าไงทุกยากตัวนนี้ถ้าเรามีลาเว้นโทษห้าอย่างนี่แล้วสิเรนะสุปก็ติงยันติมีความสุขนะเราหักเลี้ยงห้าอย่างนี่แล้วมีความสุข สบายเนี่ยเพราะจริงดัง น, น, นั้นไม่มีแล้วในตัวของเราในบุคคลอื่นก็ดีเนี่ยสิเลนาโพกัสัมปทาพลเวทโทษห้าอย่างแล้วมีโพคาสมบัติเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จอมเป็นคนไม่อดไม่หยาดเป็นคนไม่ทุกข์ไม่หยาดนี่นั้นเป็นเพราะกรรมดนั้นมันจะมาโพพันเราไม่ซัดข้องในกิจใจของใใเราทําอะไรสะดวก นะเดี๋ยวนี้มันไม่รวยเพราะอะไรทําอะไรก็ไม่สะดวกค้าขายก็ไม่สะดวกทํารัศการก็ไม่สะดวกนะทํามาหาอะไรก็ไม่สะดวกความไม่สะดวกอันนี้ที่มันไม่ให้เจริญได้อนะเรื่องเปียงนี้อัลเเว่นี้ละ่ะ <c oughs> สบายนั่งสบายนอนก็สบายเดินยืนก็สบายตัเป่ายาธิปในถนนบนทางก็สบายไม่มีใครมาเอา Them, เจ้าไหนเขาเมียพ market market. ักพักทึ่งไม่ขโมยกันว่าไงแล้วลูกเมียเขาก็ไม่แน่เรื่องเราเมื่อจันอยู่ว่าไงแล้วแหน่มันก็สบายด้วยล่ะนี่ได้พัญญากับขัวพวกพันยาจะคบสายคนอื่นซะเนี่ยคุยงไม่ได้ผัวแล้วสามีกลัวไปสามีจะคบคนหญิงคนอื่นเราตายแล้วเป็นทุกข์ว่างเปลเหรอหรือว่าง่ายแหเป็นทุกข์กับนอนนี่เพื่อเราซื้อซื้อจุดิตแล้ว ไครเนื่อเสื้อใจกันได้แล้วก็สบายดูไงงั้นเนี่มีคนเรามันยุ่งยากไหมใหคุณปู่จะรับทานอะไรเหเทศใ้ฟังมีภรรยาหนึ่งเอาเป็นทำมองมีภรรยาสองสมองศีรษะแตกมีภรรยาสามม้ามแตกมีภรรยาสีดีแตกมีภรรยาห้าหน้าแตก มีพรรยาหัวอกตั้ตายแหมมลนแย่มันยุ่งยากสิไดะหรือว่าง่้นอยากได้ไมั้ยล่ะแบบนี้มีละ่ะพากันในต้รู้ต้องกกเห็นอา้าวใคอยากได้เ่าเกิดมาอยู่ซั้าเร็วครันตายจะน้อยตายจะ น, นุ่งตายจะาพากาบกาันเกิดเป็นโรคเป็นไฟไม่มีใครจะได้ไม่ใช่หรอแมนี่ไม่มีใครปราถนาคือนั้นท่านน่ะ อ่าให้เาเว้นปานาติบาคนี้เมื่อเาเว้นแล้วกรรมนั้นในประหัประหารชีวิตของเราเกิดมาจนอายุไขไม่มีโรคไม่มีไัยเป็นห้ามอันนี้ยุ่งยากอันเนี้ยบ้านเมืองวุ่นวายโกรกคนมาฆ่าตรงนู้เอาเลี้ยนก็คือกแขนคอยันขมัฆ่าแนะ่ว่างไงละ่นะเออเลี้ยนอาจารย์ขังเพะวเออพอนะพยิ่งก็ไม่ออกหัวยุได้ที่หนึ่งนะกลัวตายเนะ่ว่าไงละ่ะ เป็นยังงั้นแตเราละเว้นโทษนะใครจะมายิงเราเราไม่ีโทษไม่มีกรรมไม่มีภัยเราไปไหนก็มีใครเดียดเดียนเราเด้อเราเป็นผู้บริสุทธิ์เราไม่มีภัยเราไม่มีเวรล้วไม่มีกรรมเรามีคนทั่วเนี่ยไปไหนก็สุขก็โตเสด็จไปดีมาดีเน่ยไม่มีไมมีเวรแน่มันแน่พระเจ้าถึงให้เราเว้นนี่ดูเขามาฆ่าอย่างเนี้ย เนี yeah. ่ยตัวอยู่สั้นเร็วพลานตายจะนอยตายจะนองตายจะภจากกันนะนี่ยเกิดเป็นโรคเป็นภัยนี่รวงเป็นอย่างนี้เป็นไราเวนมีใช้อืนいい่นไกลอ่ยเมื่อผู้ใดราเวนนี่แล้วบังภัยเหล่านั้นก็ไม่มีใครเราข้อสองอธินาทานอะไว้ดังนี้ตัวหลายล่ะตัวขโมยเนี่ย e. ожалуй, ทำไงขโมยเล็กขโมยน้อยขโมยเขาขโมยของละปมฉนอมฆ่าเจ้าของ ไม่มีใครยังได้ไม่จะละแหน่หรือถู ก, กรักอยู้ในปักไม้ใส่โทษละ่ะใส่เรือนจํำล่ะไหนจะได้ละ่ะ น, นี่ก็ไม่จะได้หรือชวนน้ําท่วมใครยังได้หรือชวนไฟไหม้ใครยังได้ชวนรับพายุพัดใครจะได้ละ่ะไม่มีใครยังได้จะคนละสิมงนี่ละท่านตัวจะมันเป็นอันนี้เช่นไฮราเวนอทินาทานการขโมยกันขโมยเล็บขโมยน้อย ทำน้ำไมให้ผลอย่างนี้หากันในพึงรูปพึงใจที่พวกเราโทษอะไร ม, มีอะไรก็มีจะขโมยเล็กขโมยน้อยบางคนมีวิทยุเขาเอาไปจะมีกระกพัดเอาไปจะมีพันญาขโมยไปจะ็มีขโมยพัญยากันก็เป็นได้กันเราเนาะถือว่าไงล่ะนี่นีนนนน้คนเราคนแบบนอืมรักมีรับก ผู้หญิงขโมยไปซะสามีแล่ว่าไงล่ะเวยจมลุ่ยไปไ ม, ไม่ได้สดี๋ยว <c oughs> ว่าง่ายยุ่งยากเพราะนี่ละ่ะไม่ินใจมีพากนันในเรงลูกไม่ใจขอปฏิบัติเหนลาเวนนี่ล่ะเราไม่จกได้ที่มันนี่นี่เกิดมามีบุตรภรรยาสามีเพราะมันมันยังครับแม่ยุ่งยาก ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเคาะกันไอ้ลูกว่ายยากสอนยากบอกไม่รอนสอนไม่ได้เล่าเรียนอะไรก็ไม่เป็นอะไรนะไม่ไมอ ย, มยากได้ลรอะยุ่งยากอว่นี้เพราะฉะ น, นั้นเป็นห้ามกาเ ม, มียนี้เพราะฉะ น, นั้นเราจะมีครอบครัวเร่ร่อนขอแต่งการแตน ง, งานไปเป็ น, นว่านแหละนะเป็นทำนองมีพนันนยาห น, นึง่งมีบัตรสัญญาสองจะทบายเลยสมองซีซ่ามันแตกอ๋อ วารยุ่งยากอันนี้ย่นี้่วันนี้เราไม่อยากได้มีพอดีแล้วนี่คนห้ามมูสาว่าคนซอกโกลหลอกลวงใครอยากได้มานี่เ้วาวเท่จะได้อยากได้นี่คนซอบโกมหลอกลวงคนมุสาวว้าวทแล้วไม่ได้ทาไปแล้วไม่ได้ไปเอาแล้วไม่ได้เอาจะได้ไหม ไม่มีใครจะได้จะคนหรอกหรือว่าง่ายคนชุดจริตนะมันยุ่งยากด้อันนี้นี่ล่ะวุ่นวายกันทุกวันนี่บ้านเมืองประเทศชาติยุ่งอนี้ไม่ยุ่งอืนน่นนะคนชอบโกงหลอกลวงกันเออนี่ล่ะดวงโลกดวงนี่ล่ะนี่ล่ะโลกเพ่งเล็งรักเข้าของของคนอือ่นมาเป็นของตอนคิดพยา บ, บาทชาดิเองสูญหาย สายเป็นมิจฉาทิธีคคิดจงชอบความชั่วสําคัญว่าดีความดีคดําดีสาคัญในชั่วยุ่งยากล่าบันนี่มีใครจะได้ไหมล่ะอ่าติดโดเทมีภรรยาแหละภรรยาโกหกจะได้ไหมมีสามีล่ะสามีโกหกจะได้ไหมไม่จะได้ ไ, มไดหลมล่ะเออจะได้เออว่าไงพวกเราคือว่าไง อืี่มไม่ยักได้ไงล่ะตันน้งใจจะโกหกกันอามันอยู่เย็นเป็นสุขว่าง่ายโู้หกหลอกลวมมันไม่อยู่เย็นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นร้อนมุ่นวายอาเป็น่านงา น, นั้นแน่คุณพระเจ้าจะได้ห้ามนี่เวลาเนี่ยเปนลมบาหมูเสียชิลิทิสหูหนวกตาบอดปากเือกระเจาะง่อยทิ่ทุกขทุ่งถังก็ไม่ได้ใครจะได้ เลยจะได้ก็ยังห้ามสุราเนี่ยเอาดว์ทีาถามผู้หิงเนี่ยคุณนายเนี่ยสามีขี้เมาจะได้ไหมไมจะได้เลยหรอฮะลูกขี้เมาก็ไม่ได้เอา้เอาคุชายแล้วภรรยาขี้เมาจะได้ไหมคุณจะได้ไม่ า, าัา้นเราเป็นนี้อิลูกขี้เมาหรอไม่ยากพ่อขี้เมาหรอ ไม่อยากไม่อยากลรใครทำอแบบนี้ใครๆก็ทำใครก็ไม่อยากได้จกคลจะพัะไาดื่มที่หล่ะชูกไ้เโลออกโรอินมันนี่ใครจะชูมนุษย์ท่าไม่ใช่ห่อแหมเลิกละพันยี่สิบสิ่งไม่ดีนีลาภายในโลจกักนํำเต็ทุกเต็นโทษแกเราวุ่นวายกับเพาะเมานี่เอดเร้อนเมาคดีเดียบเมาตําหาเมาลาคะ โทรพระโทรสักโทรแรงนัไปเอาสุราสาโทกันชาเขาเ ม, อ ม, ม า, ยมมาอยู่เพิ่มเมาหลายมันมีทิพย์อยู่เนียว่าไงล่ะเมาหลายเมาคนเ้าอ่ามันเป็นเยุ่งยากเป็นั้นดอกพากันเข้าใจข้อปฏิบัตินี่นี้เรื่องศีลคาราลาเวนนี้ประเทศชาติของเราบ้านเมืองของเราเยือยเป็นสุขไม่ทะเลาะว้อแว่งกัน ไม่เดือดร้อนอันนี้มันยากมูนี่หละห้าอย่างนี่หละไม่มีกิเนี่นยท่านยังบอกว่าพุทธิลาเวนโพห้าอย่างไปแล้วสิเลนะสุขติเยันตีมีความสุขนี่สิเลนะโพกสัมปทามีโพคาสมบัติแมยพุทเลาเวนห้าอย่างนีสิเลนนมีศีนนลโพกสั ม, มปชาภพะูุิ ม, พพมีศีลมีโพคสมบัติท่านไม่ใช่ว่า เราขาดขายปกติสัมปาทาทำรัตการปกติสัมปาทาทำไม่ได้ว่าแล้ว <c oughs> ว่าจะว่างไหม อ, อมีศีลปกติสัสมปทาถ้าไม่มีศีลแล้วมันเป็นศีลมันเป็นไงเล่าตัวศีลปกติกายปกติใจเนี่ยใจเราไม่ผู้มีศีลใจเยอือกใจเย็นใจสุขใจสบายเนี่ยแต่วศีลเป็นยังไง ความสุขความสบายอกสบายใจทำมาเลยไม่คับไม่คล้องทำมาเลยไม่วุ่นไม่วายไม่เดือดร้อนงานจะอย่างนั้นคุณมีสินคุณไม่มีสินแบบเดือดร้อนนอนก็ไม่เป็นสุขนั่งก็ไม่เป็นสุขเดินก็ไม่เป็นสุขยืนก็ไม่เป็นสุขการงานก็ไม่มีความสุขทำอะไรก็คัดคัดคล่องคอคุณมีสินเป็อย่างนี้เมื่อเป็นชนนี้แล้ว เราก็ต้องเลิกต้องละเป็นสิ่งกว่านี้เาราไปทําไมเล่ามันไม่ดีเารามานี่ทั้งท่านทั้งหลายทุกคนก็อยู่ะจักก่ามันไม่ดีเพราะอะไ ร, ระเพราะอันนี้ที่บายกั น, นเหล่ า, ลลานี้เมื่อเราเลิกเว้นในนี้เราโอ้เรามีความสุขความสบายเออ่ตาเป่าสะตานไปทิมถนนทางมันมีใครรับเรารักษาสี้นาลงานไม่มีใค ร, ร, อ เ, ร, ใครเอารักษาบอ้อนประเทศ เออตัวชักของเขาของเราน้าดูเงินแดงจักตัวยามในวันคมนำมูลตะเปลอเงินก็ขิ่งไปเลยล้ามกับโคลนักไปน้าคุณชมพรัท ธ, ธุกไปให้เห็นใบสุธิีอยู่หันพุ้นเพื่อฝายหยาคุณยอยู่กราสิมาน้ า, นามันเขามีสีด้วยงนเงนแด้งนีน่เงินก็เต็มอยู่ตะเป๋ลอน้าเขาก็เห็น ใบาสุสมทธ่ไปยุ่งผ่นโอ้บานู่พุ้นเพอนั่นตบวนนั่นเขาก็พอพัชรุรงไปไหนนะแระมันก็สมวันะนะว่ามีศีลนะคนเราไม่ได้เนาะอยู่ในขอก็ดึงเอานะอยู่ในมือก็ดึงเอานะเด็คนไม่มีศีลแระอย่างนั้น เอออยู่ในบ้านา ก, ก็มัดก็เอาหามาให้เงินนะคนมีสินเป็นยังงั้นละมือจับเป็นยงงั้นคนมีสินทุกรลอดนี่หล่ะเป็นข้อปฏิบัติท่าก็ได้ยินได้ฟังแล้วท่ากันเโวปันนี้โกนอออ้อมเข้ามาเออจงล้างเลขอกระายมาดูทำมันเกิดจากไหนสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากกายจากใจของเราไม่ได้เกิดจากคว้าอากาศ เกิดตำไมู่กเขาเราก็รักษาสินห้าสินแปดสินสิบสองร้อยเก็บโทษทั้งหมดรวมแล้วรักษาสินสามรักษาสามรักษาจินในสามรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเรารวมรักษาสินสองรักษากายรักษาใจรวมมีสินทุเดีว อ่ารักษาใจแล้วเมด่อสองร้อยเจ็ดแล้วเมื่อตัดใจไม่ยากทำแล้วเนยในพระปาติโมกขสองร้อยเจ็ดทั้งหมด อ, อ่าสติโ ย, โยดาตปโปรวมแล้วมีสติจะเป็นองนนจจค์วินัยนำมาจากความชั่วนําความชั่วจากต น, นมีสติแล้ ว, นลว เ, นเนี่ยรวมทังอย่างเนี้นี่ละอานิสง์รักษาศีลมีพระอานิสงสุหายาง ในสงเราเล่าเวทโทษแล้วห้าอย่างหนึ่งผู้นั้นมีโพคาสมบัตเป็นคนไม่อดไม่อยากนำคุณงามความดีมาให้นี่ยผู้มีศีลเนี่ยงานถึงนคนไม่ทุกข์ไม่จนสองผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วมีกิตติสัพีิคุณฟุง้ปงปัญจทัสฑ์ผู้นั้นมีคุณงามความดีอ่ากได้ไม่ใช่ลรก อัน ล, ละอันรู้จักเพราะคนนั้นเป็นคนบริสุทธิ์นะเราก็จะได้ไม่ใช่หรอนะพุ่งกัวเองไม่เหมือนกันนำอบนะ้ำมันหอมนําหอมทั้งหลายไปตามกระแสลมนี่ไปใต้ลมเนื้อลมใดหมดกินของสิงสนสีตลกัไไ่นโทเออนึกตลกหายใดหมดนี่ละสามผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้ ว, ลวเข้าประชุมใดๆก็ตามสมณะาสีพามก็ตาม ถ้าพยามาสัตย์เศรษีอะไรก็ตามไม่เป็นคนน้อยหน้าตำตาเป็นคนกล้าหาญองอาจไม่เกรงโทษเพราะเหตุันใดเราไม่มีโทษอนะเมื่อเรามีมทอดเราจะเกรงอะไรผู้บุามาขอนะไผนาเหมือนกระลัว่วเขนะาเราไม่มีแผลเยียบไปเลยถ้าเรามีแผลจังหน่อยเง อ, อะไรคือจะทูกข์กับบาแผลไม่ใช่หรอต้องระวังไม่กับจะทูกข์กับแผล เราไม่มีแผลเรไปอันนี้เราไม่มีโทษนี่ดตัวอะไรเนี่ยไปไหนก็จะกลัอะไรเราไม่มีโทษเราไม่มีไฟเนี่ยเป็อย่างงั้นคุณมีศีลันบริสุทธิ์เสียน่ารักให้ชอบใจกับมนุษย์ไอ้เองก็ชอบเนี่ยคนบริสุทธิ์เนียคนดีเนี่ยจะได้คนมีดีนะอยากได้คนดีนี่เหรอ อันนั้นเี่ยสินอันริสุทธิ์แล้วเอเป็นคำบีล่ะใครจะชอบมอีให้ไปจักไว้เนี่ย็ึงต้งให้รักษาศีลสินนี่ล่ะห้าล่ะดับขันนะสุกติเป็นที่ไปไม่ได้ไปทุกขติเพราะเราไม่ได้ทําความชั่วไว้นะ ไ, ไปทุกขติไม่ได้ไปทุกขติไปสุกขตินะสุขแล้วใจเรามีความสุขใจเราไม่ได้ทําความชั่ว เป็นอย่างนี้อย่างนั้นในพากันพิจารณาทำมันรูปเราอจะร่ำอยากรวยอยากสวยอยาก ง, งามรักษาพอนี้ยเนี่ไม่ได้งามอื่นไกลงามเพรเรามีศีลร่ํารวยเพรเรามีศีลมีความสุขพรเรามีศีลศีลป ก, กติกายปกติใจล้วไม่พิกลพิการแล้วใจล้วก็มีความเยือกความเย็นแต่เรามีความสุขความสบายไม่ทุกข์ไม่รอ้อน นีละนําความสุขความเกลิ่นให้นปัจจุบันระเบิงหน้าเพั้นทากัรดอิน่ะปูปัญญิกูให้น้อมเข้ามาหายใจเหล่าแท่นี่ละอานิสง์อันนี้สามนะในสามตอนการมีตสติปัญญาสเสลยวสลาบทําไมไม่สมความมุมั่นปรารถนาละ่ะเนี่ยคืออานิสง์การภาวนาในการนั่งสมาธิโนาว น, านะ กุโฑธโมสังโฆกุโ ท, โ ท, โทเลือกเพ้นดวงใจเราเนี่ยอานิสงเกิดจากนี้มีสติมีปัญญาไปในพบใดชาดใดคนนั้นเป็นคนเฉลียวฉลาดนะผู้มีภาวนาพระอานิสงส์นี้นะเรียนเรื่องในเรียนกันลูกมาได้ยินกันลูกมาได้เห็นกันลูกนะตั้งมัตไปเรี ย, น, ย, น, ยนมั่งไปนั่ง ภาวนามับพุทธทึนมามันก็เกิดขึ้นมามันก็รู้ขึ้นมานะฮะดูพรสมาสัมพุทธเจ้าท่านเลยนที่ไหนยล่าท่านรู้ถึงแปดหมืนสี่พันประธรรมขันเนี่ยดูเตเราไปเรียนคําสอนท่านก็นยังไม่หมดอะฮิดดูเต้ท่านนั่งโทน่ะเพราะฉะนั้นว่างานนี้สงภาวนานี่แหละจะพ้นทุกข์พ้นภัยเราภาวนานี้ไม่ใส่อื่นใจ เราพิจารณาพบของเราชาติของเราภาวะแปลเดือนพบนี่เราจะอยู่ในพบบันใด อ, อยู่ชั้นใดภูมิใดมนุษย์ทั้งหลายนี่ทันจับมนุษย์เ จ, จ็บจำพัวเนี่ยเป็นมนุษย์มนุษย์ตระหน่าร่างกายเป็นมนุษย์อันเจ็บจับเป็นเจ็บจำพักเนี่ยมนุษย์อันใดล่ามนุษย์สัตย์ทสาโน ร่งางกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสเสดดาสานงัือพันธุ์เยอสานเป็นไงมันกินละตะนอนมูน้จักการกลับมือจักการไหวมือจับคำวุ่นในทานรักษาศินอะไรนี่เละเป็นมนอมฤตงั้นตายแล้วก็เป็นเสดดาสานมือซักเตโตเป็นไงบ้างร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเตจมีตะมือหโทสู งานตายแล้วก็เป็นเก ต, ตที่ถมนุษย์ น, น่ะหก็ตามเนียเศ้าดีเย่ล้างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นนรกมันเตหัวใจเป็นปุ่มอกกลุ้มใจนี่แหละนรกทำไว้มันมีไมแหละพวกเราไม่ลีบเลือกเสนะต่อไปเนี่ยเป็นนรกขึ้นจากนรกมันทุกข์ทุกยากลึกุนโทมหายนีน่เป็นอย่างั้น อันนี้มุสศุกมืโสมือักดิเทโวร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเทวดามีทานมีศีลมีโทนาเหมือนกับเรามานี่หละหัวใจเบิกบานหัวใจสว่างสวยหัวใจดีเนี่ยเป็นเทบุตรเทวดางั้นได้เรามีทานมีศีลมีโทนามีการากราบการไหว้นี่ค่หลาเจ้า ทมบุญในทานดับขันกะเป็นเกบุตรเทวดาผูกสวยงามมีโลกมีภัยมีส่วนยากอานมุสาวพรมมาล้างกายเป็นน้หัวใจเป็นพรมหมเ้ามรพมนางวพมหัวใจสวามสวายสาดปราชจากทุกข์ปราชจากไฟสวามมีพรหมหลายธรรม ในใจิตในใจหัวใจเยือกหัวใจเย็นสบายนับทันก็เป็นผมเนี่ยผ น, นเสน <c oughs> ในมือซะอัลัตโต้่างกายเป็นมนุษย์หัวใจมีภาระหันมันเป็นอย่างหัวใจพหันหัวใจละกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะอวิสาตัณหาประธานปกชาก็ได้เวียนว่าตายเ่อดีแล้ว หน้าหัวใจผู้ับเป็นมนุษย์เป็นพาลหันละิเดละปัญหาลาโลฆโศสมหริสาปัญหาประทานบทชาตบเนี่ยงานอันนี้เมื่อสะพุทธโธร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพุทธเจ้าเป็นมนุษย์พุทธเจ้ารับรู้ตะโพงเองรู้แจ้งแทนตลอดมติมสารพัดนย ไม่มีบุคคลอุได้ใค ร, น ร, รคนหนึ่งสี่แจงแสดงกลุ่มฟงทัศลูโดยอืนนะฮเนี่ยท่านทัศลูทำของท่านันเป็นไงล่ะบุเพนิวาเนสวิทยาเ น, น่ยท่านรู้ว่าพอทราบคนหลังท่านรู้ไปบัดเกิดไม่ได้พบใจฉาดใจเป็นอะไรอะไรมาท่านรูบ้บดทำอะไรมา เกิดใ น, นพบใดฉาตใดต่างมนุษย์ ม, มืดนะมันมีทิดปกติสว่างมดอ่านี่กัจฉรูจะได้มีความสามารถต่าหารที่แจงสแสดงเหตุผล <c oughs> เริ่มในรลกสวรรค์เริ่มพบองชาตินะเรื่องดีเรื่องชั่วรู้แล้วแล้วอันจะได้มีาวางศาสนาไว้ให้แก่มนุษย์เรา เกิดสุดท้ายภายหลังนี้ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะโดยสมักทำสั่งสอนพุทธเจ้าธรรมนั้นี่ท่านซี้แจงแสดงธรรมอันนี้มีละขวาหนึ่งขอสองละความจักรดูของท่านนี่จุดตูปาตยานจุดติจากนี่ไปอยู่ในพบใดฉากใดเป็นอะไรอะไรทานรู้บ้าง อ่าเป็นเปรเข็ไดสารเกืออธิบายมาแล้วอ่าเป็นเทวดาพรอินทรตรมัูบัสเนี่ยเห็นปร้อหันอะไรจั้งลูบัสเนี่ยพุธธีป่ายก็ได้ทำอะไรไวแต่เป็นอะไรตั้งลูบัสนี่ไม่มีจิตปกติเนี่ยนีปัจจุบุทันนี่สามนายนีย่อาสวะขยายานผู้สิ้นจับคบจับชาติ ลูกชื่นฉลาดสะวัเนี่ยมีความปราหานอย่นั้นจังหะให้พากันในน้อมเข้ามาถึงตัวเราเราก็อยากรู้อยากเห็นนี่ภาวนามีสติมีปัญญามีความรู้คมฉลาดอ่ามีทรงอนี้นี่แหละระนวางศาสตร์มห า, วาไวให้แก่พวกเราสอนกายของเราสอนใจของเราเนี่ยพากันในรู้จักอันนี้ขอปฏิบัตินี่แหละ นั้นยงวางศีลสมาธิปัญญานี่ยไว้เป็นเครื่องปฏิบัตินี่ความงามไม่ได้งามในสายส้อยสังวานแต่งตนแต่งตัวบาลีเัมมอิกรยานางมัเชตรยานังปริโยสารนักันยานังกันยความงามมีความงามงามด้อะไรล่วงามเึืองต้นคือผู้มีศีล ศีลเป็นผู้สะรวมกายวาจาใจเรียบร้อยไม่ไ ท, ทําทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจนี่งามไปนี้ อ, อ่มีลัะงามเมืองต้นไพรละเมืองต้นมัดเชยกริยานงามทำกลางไพรละละทำกลางคือผู้มีสัมาทิสมาทิสุข อ, อะไรเล่าโดยคิดตั้งมั่นคิดตั้งเื่นคิดตั้งกองคิดเยือกคิดเย็ยนนีคนไม่งอนเงียนคอนแทน คิดในวอกแวกคิดเที่ยงคิดกลมคิดเบี้ยนคิดเียน ค, คิดชุกคิดสบายนี่ล่ะความงามคนเนท์ใจวอกแวกใจหลอกแร่มันเลยไม่งามที่ใหญ่ไหมละ่ะใจเป็งนงั้นคนใจเที่ยงใจกลงอยู่ได้ไหมละ่ะน่าแล้วก็ทําให้เที่ยงให้กลมนี่พวกเราเอ อ, อยังบอกแวกยังคอนเทนท์เส้นยังหลอกแรก่ไปที แหมลูมลโลกไปถูรูแ้แจกโลกใช่อืมนี่ล่ะลูแจกโลกอยมันลอกเรามันลอกยังไงโลกมันลอกตรงนี้อืมออลูกมลอกตาเ อ, อเสียงก็ลอกหูกลิ่นมาลอกจมูกรสมาลอกลิ้นแหมสัมผัสมาลอกกายไสอารมณ์เป็นธรรมารมมันลอกอย่างนี้ ก็เลยลอกลอกเราเลือ่อยว่าลูกสวยลูกงามแน่ว่าลูกลายคิเล่ผัวแน่ก็ลอกที่ตาเห็นลูกเสียงดีเสียงไม่ดีผยมันลอกอย่างนี้นะครึ้นดีขึ้นไม่ดีผมันลอกอย่างนี้ที่รสอะไรอร่อยมันลอกอย่างงี้เลยสมพัดดีสัมพัสไม่ดีมันลอกอย่างนี้อารมณ์วองเราไม่เตรื่องรักไม่เกิดช้ำนะมันลอกอยู่ในที่ น, ม, นมันลอกอย่างน แม่ลูกเขาก็ยิ้ยมเฉยเขาไได้ว่าอะไรถ้าเขาไปว่าเขาสวยก็ดีสุดๆนี้ละ่ะนี่เขายิ้มเฉยก็ไม่ได้ว่าหรือเขาว่าดีหรือเขาว่ากระผมแมผมไม่ได้ว่าเขายิ้มเฉย